ที่ไม่ใช่อริยะอีกอย่างเด็ดขาดโสดาบันบุคคลจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้ากระแสนิพพานไม่กลับตกต่าเป็นธรรมดาเมื่อโสดาบันบุคคลเจริญสติย่อมรู้ว่าแม้จิตไม่ใช่ตนแต่จิตก็รู้นิพพานได้โดยอาศัยการเห็นกายใจไม่เที่ยงจนคลายความยินดีในกายใจ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 สามารถนําไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟีเท่านั้ น, น, นกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องพลอยู่ไรเหตุผลใครก็โทษฟ้าโทษดาวแต่ในควาจริงที่เป็น ดางได้มาเพราะเธอจะไ่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยางให้ลองดูเรื่องกันคือการกดทั้งของเธอไม่คิดในใจอาจคอยสมพลไร้ไรอาจลึกลับเัมนคง กิดการส่งผนข้างกันจะทำอะไรทำดีหรือไรพนนั้นคือกันแม้ดูแระดาวจะไม่เปล่าแสงและวันนี้จะอ่อนแรงดูแลทำดี ว่าสิ่งที่เจอมีเฮไม่พนให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะ